มิสหายเหล่านั้นแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือแบบคารวาตกับแบบบรรปะชิดคารวาตมีสามพวกคือผู้มีอุปการะผู้ร่วมสุขร่วมทุกข์และผู้อนุเคราะห์ผู้มีอุปการะก็คือผู้ผู้คอยช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนโดยเสียงเดียวเรียกว่าผู้อุปการะส่วนผู้ร่วมสุขร่วมทุกข์ล่ะก็คือสุขด้วยกันทุกข์ด้วยกันเป็นต้นผู้อนุเคราะห์ก็คือผู้มีใจกรุณาเนี่ยนะผู้มีใจกรุณามาช่วยปลดช่วยเปลื้องให้ บรรพชิตโดยพิเศษคือผู้บอกประโยชน์บอกประโยชน์อะไรบอกประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานมิตรสหายเหล่านั้นประกอบด้วยองค์สี่อย่างเหล่านี้ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสกับเครหบดีบุตรชื่อว่าอะไรนีในสิงคารกะสูตรนะสิงคารกะมานพโปรงตรัสกับสิงคารกะมานพว่าดูก่อนครหบดีบุตรมิตรสหายผู้มีอุปการะพึงทราบด้วยฐานะสี่อย่าง คือเราอยากรู้ว่าคนที่เป็นผู้อุปการะของเราเนี่ยเป็นยังไงหนึ่งรักษามิตรผู้ประมาทแล้วถ้าเราประมาทแล้วเขาช่วยรักษาเราไหมนี่คนหนึ่งนะสองรักษาทรัพสมบัติของมิตรผู้ประมาทแลวนน้วนะเช่นเขาดูแลทรัพสมบัติเราไหมถ้าเราพลังเผลอไปอะไรไปเขาช่วยดูแลให้ไหมสามเป็นที่พึง่งพำเป็นที่พึ่งเป็นที่พานักของมิตรผู้กลัวหมายความว่าช่วยช่วยเป็นที่พึ่งได้ แล้วก็สเมื่อกรณียกิจเกิดขึ้นก็เพิ่มโพคซัพย์ให้มากกว่าที่ออกปากขอสมมุติถ้าเรามีปัญหาต้องขอความช่วยเหลือเขาช่วยมากกว่าที่เราคิดช่วยมากกว่าที่เราขอลักษณะนี้ฐานะสี่ประการทราบได้เลยว่านี้คือมิตรผู้มีอุปการะนะมิตรสหายผู้มีอุปการะเป็นอย่างนี้แลดูก่อนขึ้นหาบาดีมิตรดูก่อนขึ้นหาบาดีบุตรมิตรสหายผู้ร่วมสุขร่วมทุกเพื่อทราบด้วยฐานะสี่ หนึ่งบอกความลับแก่มิตรมีความลับอะไรก็เล่าให้ฟังหมด ร, ร่วมสุขร่วมทุกข์กันอ่ะนะสองช่วยปกปิดความลับของมิตรนะช่วยรักษาว่าเขามีอะไรที่ที่ไม่สมควรเปิดเผยก็เก็บไว้อย่างดีสามไม่ทอดทิ้งมิตรในคราวมีอันตรายสี่ชีวิตก็สละเพื่อประโยชน์แก่มิตรได้อันนี้เรียกว่ามิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ดูก่อนครหะบดีบุตรมิตรผู้มิตรสหายผู้อนุเคราะห์ ผู้ที่มีใจอนุเคราะห์ทราบด้วยฐานะ4ฐานะแปลว่าเหตุทราบด้วยเหตุ4ประการหนึ่งมีใจดีเพราะมิตรยากจนเอาเข้าไปไม่ดีใจเพราะมิตรยากจนหมายความว่าถ้าเพื่อนตกต่นะําแล้วไม่สบายใจลําบากใจมากที่เห็นเพื่อนตกต่ำเนี่ยนะอันนี้ก็มีใจอนุเคราะห์สองดีใจเมื่อมิตรมั่งมีถ้ามิตรดีขึ้นเท่าไหร่ก็ดีใจขึ้นเท่านั้นสามปกป้องกันมิตรป้องกันคนติเตียนมิตรเมื่อมีใครพูดถึงความเลวของมิตร ปิดปากได้เล ย, เลยห้ามพูดเด็ดขาดว่างั้นไม่มีส่วนที่จะต้องไปพูดถึงความเลวของเพื่อนว่างั้นเน่ยเขาจะเลวก็เรื่องของเขาว่าตัดบทเลยไม่ให้ใครว่าร้ายมิตรต่อหน้าตนสี่ยกย่องคนที่ยกย่องมิตรใครชมเพื่อนเรามันดีหมดว่างั้นนะขอให้ชมเพื่อนเราอย่างเดียวนะลักษณะนี้เรียกว่ามิตรผู้มีอนุเคราะห์ช่วยปกปักรักษาดูแลอย่างเต็มที่สุดท้ายดูก่อนเครือขายบดีบุตรมิตรสหายผู้บอกประโยชน์ทราบด้วยฐานะสี่ อนามิตผู้นำประโยชน์ให้จริงๆคือหนึ่งห้ามจากการทำบาป 2. ให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดี 4. ให้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังสุดท้ายบอกทางสวรรค์ให้ถ้าดูตามลักษณะเนี่ยนะมิตรสหายผู้มีอุปการะมากข้ อ, อกลุ่ม4ข้อแรกนั้นลักษณะของพ่อแม่ ผู้ที่เป็นพ่อแม่เนี่ยนะรักษาลูกผู้ประมาทแล้วรักษาทรัพย์สมบัติของลูกผู้ประมาทแล้วเป็นที่พำนึกพำนักพักเพียงของลูกแล้วก็กรณียกิจเกิดขึ้นก็ช่วยเหลือลูกมากกว่าที่ควรจะเป็นส่วนพวกมิตรสหายร่วมสุขร่วมทุกข์ก็คือเพื่อนแท้เนี่ยนะลักษณะของเพื่อนแท้มีความลับก็บอกกันเนี่ยนะปกปิดช่วยปกปิดความลับของเพื่อนไม่ทิ้งเพื่อนในคราวมีภัยอันตรายสละชีวิตเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนได้ส่วน มิตรสหายผู้มีใจอนุเคราะห์ก็คือเรียกว่าเป็นมิตรอุปการะแบบนั้นเถอะเป็นลักษณะเพื่อนที่มีอุปการะเป็นเป็นผู้มีอุปการะคุณเป็นผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายก็ก็จะไม่ดีใจเมื่อเมือม่อเมื่อมิตรตกยากดีใจเมื่อมิตรมั่งมีป้องกันการคนตีเตียนมิตรสรรเสริญคนที่ยกย่องมิตรส่วนสุดท้ายก็เป็นลักษณะของ มิสหายผู้เป็นครูอาจารย์ก็จะห้ามจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีให้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังบอกทางสวรรค์ให้เพราะถ้าจะเลือกครบมิตรก็เลือกคบมิตรสี่ประเภทเหล่านี้นะมิตรสี่ประเภทคือหนึ่งมิตรข้อหนึ่งสอามเนี่ยนะมิตรกลุ่มที่หนึ่งที่สองที่สามโดยมากจะเป็นคารวาตมิตรกลุ่มที่สี่เป็นบนรรปะชิตเนี่ยนะก็ก็กสแสวงหามิตรมิตรทั้งสี่ประเภทนี้ได้ ถ้าผู้ใดพบมิตรสี่ประเภทไม่มีเสื่อมโดยส่วนเดียวจะไม่มีความเสื่อมมีแต่ความเจริญแสดงว่าได้ครบอะไรอ ะ, อะไรนะมงคลอะมงคลข้อสองอะอเซวนาจะาลานังบัณฑิตานันจะเสวนาก็คือได้ส่องเสพ บ, บัณฑิตทั้งหลายบัณฑิตทั้งโดยบัณฑิตในคารวาแล้วก็บัณฑิตในแวดวงของบรนประชิตทั้งหลายครบบัณฑิตผู้ที่ได้รับ อุปการะจากมิตรดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นมิตรมีอุปการะมิตรร่วมสุขร่วมทุกมิตรผู้มีใจอนุเคราะห์กับมิตรผู้คอยบอกประโยชน์เนี่ยนะชีวิตของคนที่มีมิตรเช่นนี้จะเสียหายมาจากไหนใช่ไหมมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวเพราะฉะนั้นคารวะท่านประสงค์เอาในที่นี้แต่โดยอัฏฐะทั้งคารวะและบรรปชิตก็สมควรบทว่ามิตรเตสุหัตเฉอนุกรรมปรมาโน ก็ความว่าเอนดูคือประสงค์เพื่อนำเข้ามาซึ่งสุขแก่มิตรเหล่านั้นบทว่าหาเปติอัตถังยังประโยชน์ทั้งสให้เกิดขึ้นคือทิฏฐธรมมิกระทะประโยชน์สัมปรายิกระทะประโยชน์และปรมัาถประโยชน์เนี่ยนะก็คือทําประโยชน์เหล่านี้ให้เกิดขึ้นส่วนผู้ที่ไม่ใช่มิตรก็คือผู้ที่ทําลายประโยชน์ใช่ไหมทำลายประโยชน์ทิฏฐธรมมิกระทะประโยชน์โลกนี้สัมปรายิกระประโยชน์โลกหน้า ปรมาทัยประโยชน์ก็คือประโยชน์อย่างยิ่งหรือประโยชน์อีกในหนึ่งประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นหรือประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายตนและฝ่ายอื่มใครก็ตามที่ทำให้ประโยชน์เหล่านี้เสื่อมคือทำให้พินาศด้วยการยังวัตถุที่ได้แล้วให้พินาศและก็การไม่ให้สิ่งที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นด้วยวิธีทั้งสอง บทว่าปฏิพัทธจิตโตบุคคลแม้ตั้งตนไว้ในฐานะต่ำต้อยว่าเราเว้นจากคนนี้จักไม่เป็นอยู่นั่นคนนั้นนั่นแหละเป็นคติของเราคนนั้นนั่นแหละเป็นผู้นำของเราอย่างนี้ชื่อว่ามีใจปฏิพัทธแล้วตั้งตัวเองไว้ตกตกต่ำานะคือคือคนที่มีใจผูกพันเนี่ยนะปฏิพัทธจิตโตเนี่ยก็คือมีใจผูกพันไอ้การมีใจผูกพันเนี่ยตั้งอยู่สองกลุ่มตั้งไว้ว่าตัวเองคือผู้ตกต่า อย่างที่สองก็คือตั้งตัวเองไว้เป็นผู้สูงส่งพวกที่ตั้งตนไว้ตกต่าเนี่ยนะเขบอกว่าเราเนี่ยนะถ้าเว้นจากเพื่อนคนนี้เราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้คนนั้นไปยังไงเราก็ไปตามเขาสุดแท้แต่เขาเขานั่นแหละเป็นผู้นาของเราอย่างนี้แหละเรียกมีใจผูกพันแล้วก็ตั้งตนไว้โดยตกต่าตั้งตนไว้ต่าคือขอเป็นผู้ตามส่วนเดียวว่าั้นเถะ ถ้าหากว่าตั้งตนไว้ในฐานะสูงก็บอกว่าคนนี้นะเว้นเราเสียแล้วก็อยู่ไม่ได้ไม่เป็นอยู่ก็คืออยู่ไม่ได้เราเป็นคติของคนเหล่านั้นเราเป็นผู้นํานั้นอันนี้เรียกว่ามีใจผูกพันตั้งเอาไว้ว่าตนเนี่ยคือฐานะสูงการมีใจผูกพันนี้มีอยู่สองอย่างใช่สำคัญว่าเราเรายิ่งกว่าเขากับหรือไม่ก็สําคัญว่าเราตกต่ํากว่าเขา บทว่าเอตั้งพยังความกล่าวว่าภัยที่ยังประโยชน์นั้นให้เสื่อมนั้นคือเสื่อมจากสมบัติของตนบทว่าสันทเวสันทวะเนี่ยนะสันทวะแปลว่าการชมเชยการเชยชมมีสามอย่างด้วยตันหามทิฏฐิและด้วยมิตรชมเชยหรือเชยชิดด้วยตันหาร้อยแปดชื่อว่าตันหาสันทวะด้วยทิฏฐิหกชื่อว่าทิฏฐิสันตวะ ถ้ากรุณาเนี่ยนะด้วยการอนุเคราะห์มิตรด้วยมีใจผูกพันเรียกว่ามิตรสันทวะมิตรสันทวะท่านประสงค์เอาในที่นี้ท้าประเจกบอกว่าเสื่อมจากสมบัติก็เพราะว่ามิตรสันทวะคือมัวแต่ยุ่งเรื่องของเพื่อนจนเกินไปจนตัวเองเสื่อมประโยชน์อ่ะคือบางคนเนี่ยนะไม่เจริญก็เพราะมัวแต่คอยบางทีไม่ได้เรื่องอะไรของเราแม้แต่นิดเดียวแต่ก็เหนื่อยแทบตายเนี่ยนะบางทีก็เหนื่อยจนตายก็มีไม่ได้เรื่องอะไรของเราเลยแม้แต่นิดเดียวประโยชน์ตัวก็เลยเสื่อมเลยเนี่ยนะ เสื่อมจากประโยชน์คือคือในคาถาบอกว่าบุคคลผู้มีใจอนุเคราะห์ต่อมิตรย่อมเสื่อมจากประโยชน์เขาโมวแต่ไปโมวแต่เขาเรียกว่าไปก้าวไกไปยุ่งในเรื่องของเขาเต็มที่เลยอะ่ะคืออยากจะช่วยเขาอะ่ะด้วยใจผูกพันว่าเขาขาเราเขาก็อยู่ไม่ได้นั่นแหะเรานี่แหละคือผู้นําของเขาเรานี่จะต้องพึ่งอาศัยเขาทีนี้พอมีความผูกพันคุ้นเคยอย่างงั้นไผ่ทั้งหลายก็ ตามมาบุคคลเมื่อเห็นภัยที่เกิดจากความสนิทสนมด้วยตันหาทิฐิหรือด้วยมิตรก็ตามก็เที่ยวไปแต่ผู้เดียวเพราะว่าเมื่อมีใจเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรมากมายแล้วเนี่ยนะภัยทั้งหลายก็จะตามมาแปลว่านํามาซึ่งภัยนะไม่เหมือนโลกุตระธรรมนะโลกิยะทั้งหลายเนี่ยในที่สุดก็นํามาซึ่งภัยแปลว่าความน่ากลัวถ้าภัยอยู่ที่ไหนภัยนี้มีเป็นอัถะ ข, ของอะไรอัถะ ข, ของ ทุกเนีนะเพราะภัยกับทุกนี่คือทุกขังพยจเถนะทุกขังพยัตเถนะพ เ, นะเพราะทุกมีอัตถาว่าน้ากลัวอนนี้ถังอันนี้จังขยัจเถนะไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปทุกขังพยัจเถนะเป็นทุกข์เพราะน้ากลัวอนัตตาอสสารกัดเถนะเพราะไม่มีสาระนั่นเอง มาดูข้อความในจูลนิเทศอธิบายคาถานี้เพิ่มเติมเนื้อหาอย่างดีว่ามิตรเนี่ยนะแบ่งออกเป็นสองพวกคือมิตรคฤหัสถ์กับมิตรบัญญชิดมิตรคฤหัสถ์เป็นไนะคฤหัสถ์บางคนในโลกนี้ย่อมให้ของที่ให้กันยากสละของที่สละกันยากย่อมทากิจที่ทำกันยากอดทนอารมณ์ที่อดทนได้ยากบอกความลับแก่มิตร ยอมปกปิดความลับของมิตรไม่ละทิ้งมิตรในคราวมีอันตรายถึงชีวิตก็ยอมสละเพื่อประโยชน์แก่มิตรเมื่อมิตรหมดสิ้นหรือยากจนก็ไม่ดูหมิ่นดูแคลนี่เรียกว่ามิตรครึมหัดเนี่ยนะมิตรคารวาสแบบมิตรแท้ของคารวาสทั้งหลายส่วนมิตรบรนประชิตเป็นฉนัยพิสูจน์ในศาสนานี้เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพเป็นผู้ควรแก่ความสรรเสริญเป็นผู้อดทนต่อถ้อยคําเป็นผู้มีถ้อยคําลึกซึ้ง ไม่ชักชวนในเหตุอันไม่สมควรแสดงว่าองคุณของกัลยาณมิตรนั่นแหละชักชวนในอธิศีนย่อมชักชวนขวนขวายในการบำเพ็ญสติประฐานสี่สมมารประธานสี่ทธิบาสีอินสีห้าพละห้าพชอชงเจ็ดอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดนี่แหละเรียกว่ามิตรที่เป็นบันปะชิตส่วนสหายล่ะสหายที่มีใจดีก็คือ การไปสบายการมาสบายทั้งมาทั้งไปก็สบายยืนสบายนั่งสบายนอนสบายพูดสบายเจรจาสบายสนทนาสบายการปราศัยสบายกับบุคคลใดบุคคลนั้นเรียกว่าสหายใครก็ตามที่เมื่ออนุเคราะมิตรและคนที่มีใจดีประโยชน์ก็เลยเสื่อมนหมายความว่ามัวแต่มีใจสงสารเข้ามากก็เลยตัวเองเสื่อมประโยชน์ อธิบายว่าบุคคลเมื่ออนุเคราะห์อุดหนุนเกื้อกูลพวกมิตรและคนผู้มีใจดีคือพวกมิตรที่เห็นกันมามิตรที่คบกันมาพวกสหายย่อมทําประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งเสื่อมบางทีเนี่ยนะบางทีไอาการช่วยเหลือกันบางทีช่วยไปช่วยมาเสียประโยชน์หมดเลยะนะเพราะว่าบางคนถ้าไม่มีปัญญายิ่งแก้ยิ่งพันใช่ไหมยิ่งแก้ยิ่งยุ่งกว่างนันทัน ถ้ามัวแต่ยุ่งกับเขามากเกินไปเนี่ยนะประโยชน์ของตนก็เสื่อมไปเสียไปละไปอันตรธานไปประโยชน์ตนก็เสื่อมประโยชน์ผู้อื่นก็เสื่อมประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็เสื่อมประโยชน์โลกนี้ก็เสื่อมประโยชน์โลกหน้าก็เสื่อมประโยชน์อย่างยิ่งก็เสื่อมแล้วก็เป็นผู้มีใจผูกพันผูกพันด้วยเหตุสองประการเอ่อพวกที่มีจิตผูกพันด้วยเหตุสองก็คือตั้งตนไว้ต่ําตั้งคนอื่นไว้สูงอันนี้อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองตั้งตนไว้สูงตั้งคนอื่นไว้ต่ํา สองอย่างนั้นพวกที่ตั้งตนไว้ต่ำตั้งคนอื่นไว้สูงคือที่มีใจผูกพันหมายคือว่าบุคคลเมื่อตั้งตนไว้ต่ำตั้งคนอื่นไว้สูงชื่อว่าเป็นผู้มีจิตผูกพันโดยถ้อยคาอย่างนี้ว่าตัวอย่างเช่นท่านทั้งหลายมีอุปการะมากแก่อาตมานะชั้นแกชั้นเนี่ยนะแกอาตมาอาศัยท่านทั้งหลายจึงได้จีวลบินธบาเสนาสนะและกีฬานะปัจจยัยเภสัชบริหาร คนอื่นๆย่อมสำคัญเพื่อจะให้หรือเพื่อจะทำแก่อาตมาชนเหล่านั้นย่อมเป็นผู้อาศัยท่านทั้งหลายเห็นแก่ท่านทั้งหลายชื่อและสกุลมารดาบิดาเก่าแก่ของอาตมาเสื่อมไปแล้วย่อมรู้ได้เพราะท่านทั้งหลายฉันเป็นพระประจำตระกูลของอุบาสกคนนู้นนะเป็นกุลุ ป, ปะกะของอุบาสิกาคนนู้นก็เพราะท่านทั้งหลาย อันนี้หมายเขาว่ายกให้เขาเป็นใหญ่ทุกเรื่องยอมให้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะถ้าไม่มีเขาเราจะได้ปัจจัยสี่มาจากไหนทุกอย่างที่คนอื่นช่วยก็เพราะมีะมีคนนี้แหละเนี่ยนะถ้าไม่มีคนนี้เราเดือดร้อนแน่เขานี่ยิ่งกว่าพ่อยิ่งกว่าแม่อีกเนี่ยนะครับโอยตัวเองต่ำต่ายกเขาสูงส่งเฉียดฟ้าเลยวางั้นอันนี้เรียกว่าตั้งตนไว้ต่ําตั้งคนอื่นไว้สูงนะแต่บางทีคนที่ใครพระที่พูดแบบนี้บางทีมันฟังแล้วมันน่ารำคาญรำคาญ ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าในโลกนี้มีทุกอย่างนะถ้าไม่มีอย่างนี้ภาษารีบุตรไม่แสดงหรอกมีจริงๆกันแหละแต่ว่ามีแล้วเราจะสังเกตรหรือเปล่าแค่นั้นเองนะก็เป็นอย่างนี้แหละ